ห้าสิปอวัยวะดิฉันวาดรูปผู้ชายยัยแอมเริ่มจากศีรษะก่อน First h o d e ผู้ชายสวมหมวกมนุษย์มีหมวกบนตัวมองไม่เห็นเส้นผมมนุษ e ์ไม่เห็น e ูมองไม่เห็นหูด้วยมนุษย์ไม่เอร้มองไม่เห็นหลังด้วยมนุษย์ไม่เห e นหลังด้วย ดิฉันกำลังวาดตาและปากเจ้เทนเนอร์อวัยเงินและมันนน์น์ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นลำและหัวเราะมนน์ดันซ์และเล่าผู้ชายคนนี้มีจมูกยาวมนน์มีหน้าจมูกยาวขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วยท่านมีเส้นผมส h ้นที่ห e ้า r ากเขา r ม่ไ e ้ใส่ a สื้อผ้าที่มีส่วนโค้งท b บ i n a ่ r อ่านอุ่นกว่าที่ผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะมนุ n ย์อ่านโลกยิ่งอบสนุ่นแต่เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคุมท่านมีไม่มคแต่เขาก็ไม่หนาวสั่นมมมเขาคือตุ๊กตาหิมะ Det er en snømann.